บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พูดมาถึงเรื่องปัญหาภายในใจของคนเราแต่ละคนเวลาประสบกับอารมณ์ภายนอกหรือแม้แต่ประจุนึกขึ้นมาจากภายในใจเอง ในกรณีที่กิเลสมันบังเกิดขึ้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้รู้จิตของเราในแต่ละขณะด้วยจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิ้มรส ถ, ถูกต้องจะร้นอนนังแข็งก็ตามเลยดูว่าในขณะนั้นมีกิเลสที่ทรงใช้คำว่าสังโยชน์ก็ใด้ข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นจตอาจจะสืบสาวถึงเหตุที่ให้มันเกิดในขณะเดียวกันก็พยายามมองให้เห็นโทษของจิตในแต่ละขณะที่ถูกเผาลนด้วยกิเลสก็ใดคนหนึ่งและ พ, พยายามลดละบรรเทาผ่อนคลายจนถึงกระดับไปได้ในแต่ละขณะก็จะเป็นการดี ตามปกติแล้วการเกิดของกิเลสนั้นมันก็ไม่ได้เกิดตามลำดับที่ท่านเรียงไว้ในหนังสือมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของคนเราที่ไม่เหมือนกันลนักษณะทางเจดิตที่เคยพูดไว้นานแล้วเป็นตัวชี้นาที่มีความสาคัญคนที่จิตใจหนักไปในทางราคะเจดิตพอใจในสิ่งสวยงาม มีใจกำหนดว่าน้าใคร่น่ปรารถนาหนาพอใจจิตใจก็จะสายไปเพื่อกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสเด่นร้อนอ่อนแข็งที่ตนสัมผัดตัวความใครด่ดูใคร่ฟังใคร่ดงใคร่ลิ้มใคร่จะจับต้องบางครั้มีกำลังมากจนถึงกับตัวเองก็ต้องไปในสถานที่นั้นเพื่อดูเพื่อฟังเพื่อดิ้มเพื่อ รมเพื่อจับต้องอย่างการตอบสนองความต้องการของตนก็มีเรื่องเป็นอันมากที่ทาให้เราต้องสูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองไปเพื่อตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นปนัญหาต่างๆที่ติดตามมาถ้าเราหยุดที่ตัวอยากตัวเดียวมันก็จบ พระสิ่งทั้งหมดที่จริงเป็นผลผูงมาจากความอยากที่เกิดขึ้นไปในจิตในขณะนั้นนะั้นแต่ถามว่าความอยากมันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็คือขึ้นจากจิตเราไปกําหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นน่าอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องซึ่งการกําหนดนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นใจของคนที่กําหนดไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวกําหนดเรา ในขณะที่คนเป็นนั้นมากพอใจต้องการชื่นชมยนินดีเรียกได้ว่าเขอือในเรื่องนั้นๆกันอยู่แต่มีคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งก็มากกว่านั้นไม่เห็นความสําคัญไม่ใส่ใจไม่สนใจหรืออาจจะชิงชังโดยสัําไปแต่ในกรณีของการชิงชังก็หมายความกิเลสประเภทโลภะมันไม่เกิดจริงแต่กิเลสประเภทโทสะมันก็เกิด มันก็มีปัญหาแบบโทสะแต่กิเลสสายโลภะเกิดมันก็มีปัญหาแบบโลภะแต่ถ้าพอกเกิดความรุนแรงแล้วก็จะเชื่อมต่อกันระหว่างโลภะกับโทสะในการศึกษาเพื่อรู้จิตของเราในแต่ละขณะในกรณีนี้ก็ส่งเน้นไปที่การพยายามปิด ก, กั้นใช่ไหมตอนตอน้น แต่ก็จริงในชีวิตประจำวันเราเราก็ปิดกั้นไม่ได้เราต้องเกี่ยวข้องกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารมีสื่อสารออกมาในลักษณะต่างๆเป็นอันมากซึ่งเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าสื่อสารต่างๆก็มีความสลับซ้อนมากกว่า ด้านความแปรผันทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการชี้นำการรบหน้าจิตใจของสื่อเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลมากกว่าการสำรวจระวังจึงทำได้ยากแต่ถ้ากก็ไม่สำรวจระวังเลยมันก็นำปนัญหามาสู่ตัวเองเป็นทัพทวีคูณหรือไม่หยุดหยุดนิ่งเพราะถ้าในช่วงใดที่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจะได้ก็จะเป็นการทีมเาเห็นว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการดูโดยการฟังโดยการดมโดยการลิ้มโดยการจับต้องก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นการตัดไฟตัดต้นลมแล้วคงจะทำได้ในบางเรื่องแต่ก็ทำไม่ได้ทุกเรื่องเพราะเรื่องเราต้องเกี่ยวข้องแน่นอนเพราการระวังจึงระวังตัวนอกไม่ได้เพราะว่าตัวนอกมันก็มีอย่างที่มันมี เราก็ระวังตัวในคือระวังใจเราใจที่มีปัญหาสืบเนื่องมาจากกิเลสแม้ในสังโยชน์จะเรียกว้ถึงสิบหรืออาจจะเรียกมากกว่านั้นแต่ถ้าเรามองถึงเหตุเกิดจริงๆมันก็จะมาจากใจที่กำหนดในสีแนวแนวใดแนวหนึ่งคือมาความว่าทุกแนวเนี่ยมันเกิดกิเลสได้แต่ว่าเกิดกันคนละสาย คือถ้าเรากําหนดด้วยความกําหนัดกิเล ท, ที่เราเรียกในที่นี้เรียกสังโยชนิบวากรมราคะคือความกําหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่รู ป, ป ร, ราคะความกําหนัดในส่วนที่เป็นรูปธรรมรู ป, ป ร, ราคะความกําหนัดในส่วนที่เป็นนามธรรมจึงความสุขความจํา ความเพลิดเพลินแรงบันดาลใจความฝังใจในอดีตที่ให้ความประทับใจเราบางครั้งท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าเราก็นําเรื่องนั้นมาคิดจะมาเพลิดเพลินบางทีก็นั่งยิ้มได้คนเดียวนั่นแสดงว่าจิตมันไปกําหนัดในอารมณ์ที่เป็นความเหนียวนึกสึกนึกแล้วมันเพลิดเพลินบันเทิงใจรื่นเริงใจยิ้มแจ่มแจ่มใสปรากฏขึ้นภายในสีหน้าของบุคคล กิเลสทั้งสประเภทนี้ที่จริงก็คือกิเลสประเภทที่มันเกิดจากใจกําหนดด้วยอํานาจความกําหนัดคือเราให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นในฐานะที่เป็นของน่าใคร่นักปรารถนาหน้าพอใจปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นติดตามมาเพราะในจุดนี้ก็ทรงสั่งสอนให้สํารวมระวังเพื่อควบคุมความคิดเอาไว้ อย่าใจิตมันเกิดกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้างนอกนั้นแสงสีเป็นวิจิตแม้แต่ล้อมรอบตัวเราอยู่ก็มีแสงสีที่วิจิตเราแก้ข้างนอกไม่ได้ดังกล่าวเราแก้ข้างในใจเราเระวางใจไม่ปรุงคิดคิดปรุงไปด้วยความกำหนัดแม้เขาต้องการจะกระตุ้นให้เราเกิดความกำหนัดเราก็ไม่ปรุงไม่ปรุงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าสังกับปราโคบริษัทสกาโมความบัริด้วยอำนาจของความใคร่เป็นความใคร่เป็นกามของคนเป็นความอยากของคนเป็นความต้องการของคนถ้าเราไม่คิดแม้สิ่งนั้นมีอยู่มันก็มีอยู่อย่างที่มันมีอยู่คนนี้ลองสังเกตดูจิตใจของเราเวลาเราไปที่ไหนก็ได้ ไปในที่ตลาดไปห้างสรรพสินค้าหรือไปทัศนาจร อ, อะไรสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจเราก็คือสิ่งที่เราไปกาหนดมันว่าสวยกาหนดว่าไพเราะกาหนดว่าหอมกาหนดว่าอร่อยกาหนดว่าน่าจับต้องเท่านั้นหรือไม่อย่างนั้นก็กำหนดตรงกันข้ามภาะรูปนั้นไม่สวย น่าเกลียดหน่าขยะาขายะแขยงหรือว่ามีความรู้สึกรุนแรงยังไงเนี่ยยิ่งกระทบใจมากเสียงนั้นไม่ไพเราะเสียงนั้นน่ารงคานเสียงนั้นโหนกหูเสียงนั้นฟังแล้วไม่สบายหูไม่สบายใจรู้สึกขยะาขายะแขยงกลียด น, นั้นเหม็นเหม็นอย่างแรงหรือเหม็นเหม็ น, นยิ่งรู้สึกว่าแรงเท่าไหร่เนี่ยมันจะกระแทกใจสูง รถก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือว่าสิ่งที่เราจับต้องใยกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันก็คงอยู่อย่างที่มันอยู่มันเคยวางอย่างไงมันก็วางอย่างนั้นถ้าใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะไม่ไปเห็นความต้องการบา น, ม, นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่พอใจไปถึงนึกอย่างนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อใจเราคราะงี้เราสังเกตว่าสถานที่ก็คือสถานที่ คนไปผ่านไปผ่านมาคนมีการพบเห็นคนเข้าไปพักผ่อนหลับนอนเขาก็ไม่เดือดร้อนไหไรแต่เราก็รู้เรื่องเรารับข่าวลือมารับนิทานประรำประรามาวัฏสถานที่นั่นมีผีดุหรือเกนเจ้าที่แรงหรือเกิดบางทีก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนหลอกล้อนมาข่มภูอะไรแต่ใดก็แล้วแต่จะเล่ากัน คนอื่นก็นอนสบายเนี่เราเริ่มไม่สบายตั้งแต่ไม่ได้นอนแล้คือไม่ได้เข้าไปในสถานที่นั้นแล้วในขณะที่เข้าไปก็สูญเสียความมั่นใจมีความบิดกกังปลนมีความบาดระแวงเหลียวซ้ายแล้วขวาละละ ล, ะละังนั้นแสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องเราปรุงขึ้นมาเอง เพราะถ้าเราไม่ปรุงคนอื่นทําไมก็อยู่ได้ทําไมก็นั่งได้ทําไมก็นอนได้แล้วก็สถานที่นั้นที่จริงมันอยู่มาชั่วนาตาปีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัแต่โลกมันมีโลกมาแล้วมันก็อยู่ก็มันอย่างงั้นเองคนได้พักพิงอิงอาศัยโดยไม่เดือดร้อนอะไรพวใจก็กําหนดว่าเป็นที่พักพิงอิงอาศัยแต่พอเรากําหนดว่าเป็นที่ผีดุเท่านั้นเองเราเดือดร้อนละ ยิ่งเข้าไปนอนยังไม่ต้องพูดอะไรเลยหรือไม่ต้องหลับกันทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการปรุงของจิตยอย่างเดียวที่สรงใช้คำว่ากาหนดคือเรากาหนดเราเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไปยึดมั่นหรือมั่นเอาจริงๆที่เรียกว่าเป็นอุปท า, านคือใจเราไปยึดเอาเฉยๆ มันไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคิดรูมันเป็นอย่างแท้จริงหรือถ้าเป็นในระดับระดับหนึ่งมันก็เป็นได้นะแง่สมมติแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆมันก็ไม่เป็นจริงๆแต่เรากลับไปยึดอาจริงข้าวพอจริงข้าวมันก็มีปัญหาทางจิตการกำหนดอีกแนวหนึ่งก็คือกำหนดในแนวไม่ดีที่ทรงใช้ับว่ากาหนดเรื่องน่าความกิดขึ้นระวังใจอย่าให้กรรม การขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นีิตั้งแห่งความขัดเคืองคราวนี้เราสังเกตว่าสมมติว่าคนดา่คดาคนะําด่าหรือการดา่ามีคนดา่ามีคาําด่ามีการดา่าด้วยประโยคเดียวกันถ้าจะถามเราว่าเราขัดเคืองทุกคนหรือเปล่าเราก็ตอบว่าปรับ เพราฉะนั้นจริงๆแล้วจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวคำด่าไม่ได้อยู่ที่การด่าแต่อยู่ที่คนด่าพ น, น่าว่าใครด่าถ้าคนด่าเป็นคนที่เราเกลียดอยู่ก่อนเราไม่ชอบอยู่ก่อนความโกรก็จะเกิดขึ้นเป็นทวีคูณตรีคูณ แต่ถ้าคนด่าเป็นเด็กร้าเดียงสาเราก็ขำรู้สึกสนใจใเด็กคนนั้นอาจจะไปหยอกอาจจะไปเล่นแกล่กะอาจจะไปซื้อขนมอะไรให้ได้ทับไปก็รู้สึกชอบไอ้เด็กอายุขนาดนี้มันเข้าใจด่ามันเข้าใจคิดเอามาจากไหนแต่ถ้าหากว่าคนบ้าคนมอดวด่าเราก็เฉย แกก็เป็นกับแกอย่างนั้นเองเก๋ไม่ได้ด่าเราคนเดียวเกก็ด่ากแกอย่างงั้นใจเราไม่รับเพราะเรารู้ว่าแกบ้าว่าแกหมองสำหรับเด็กด่าเราไม่รับเรารู้ว่าเด็ ก, กแกรายเดียงสาไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยจริงจริงเรารับมานานแล้วมันหมันไส่ยอยู่นานแล้วมันเกลียดอยู่นานแล้ การด่าจะเป็นการเพิ่มความเกลียดเพราะฉะนั้นเกลียดจึงเพิ่มขึ้นทันทีอาจจะกลายเป็นโกรธอาจจะกลายเป็นความรุนแรงอาจจะไปท่าตีท่าต่ออะไรก็ได้ทีนี้ถ้าคนนั้นเป็นคนที่เรารักเรา จ, จะรู้สึกตกใจว่าทําไมก็ด่าแล้วก็พยายามไปทําความเข้าใจไปชี้แจงแไปอธิบายการเหตุผลเพื่อขอร้อง เราจะอ้อนวอนอะไรต่างๆคือตอนนี้จะมองไปที่เขาผนก็มองมาที่เราพรรมีปัญหาอะไรทำไมจึงถูกดาแล้วเข้าใจผิดก็พยายามชี้แจงแก่ความเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนที่เราเคารพนักถือเราก็มองเมื่อการให้พร เนการเตือนให้สติเรื่องจริงไม่จริงไม่สำคัญถ้าจริงก็ดีจะได้สมบูรณ์ว่างต่อไปถ้าไม่จริงก็ดีเหมือนกันคือขนาดไม่จริงท่าดังด่าเนี่ยถ้าจริงเนี่ยมันจะขนาดไหนล้วก็ป้องกันเอาไว้ถึงหมดเว้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าการขัดเคืองนี่ที่จริงมันเกิดจากการกำหนดเราคน ท, ทั่วไปนั้น ก็ตกอยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวแล้วคือไม่ได้หมาความกัดเครืองหมดทุกคนแต่จะมางคนที่ไม่ค่อยปกติไม่จะกัดเครื่องแม้ในเด็กเด็กๆกที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นคืออาจจะกัดเคื่องแม้แต่ก้อนหินก้อนหินต้นไม้ตอไม้หรือว่ารถหรือว่าแต่หมาแมวอะไรต่างๆก็ขัดเครืองได้หมดเลยแสดองอาการทางจิตนั้นผิดปกติออกมาก พระตามปกติแล้วคนจะต้องกัดเคืองเฉพาะที่เป็นมนุษย์้ดยกันดนั่นเองแต่กัดเคืองถัดดิรกชาร์เนี่ยเราก็ลดตัวมากไปหน่อยลดตัวไปทะเลาะกษัตรดิเรกชาร์กัดเคืองก้อนอ ก, ก้อนหินท่อนไม้ตอไม้สิ่งของที่วางวางเอาไว้เรากัดเคืองไอ้นี้ไม่ชักจะอาการหนักท่าน ดยใหญ่แล้วตามปกติแล้วเนี่ยเราจะกำหนดอเจ้าพ่คนแล้วก็คนมันก็มีการแยกต่งกล่าวแล้วคือไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ใช่คนเมาไม่ใช่เป็นคนเท่เนนเาแก่ไม่ใช่เป็นคนที่เรารักแต่เป็นคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบบ่าไม่ชอบน้อยเป็นตน้นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดการขัดขืงได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโอกาสที่จะกาหนดมันก็มีน้อย การกระทำที่ควรกําหนดเริ่มหน้าความขัดเคืองก็ผิดหน้อยการรู้จักระมัดระวังใจการสํารวจระวังที่ใจตัวเองให้ขัดเคืองน้อยลงแม้จะมีการรุนแรงเกิดขึ้นก็าตามมีการสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเองถึงกิเลสประเภทนี้อย่างไหนสังโยติทรงแสดงไว้ก็คือพว ก, ป, กปฏิฆะที่แปประการกระทบกระทั่งการหงุดหงิดต่างๆ ทีนี้การกำหนดอีกแนวหนึ่งก็คือกําหนดด้วยอํานาจความงงงายการระเหตุผลต่างๆความร่เหตุผลนั้นอาจจะเพราะเราไม่รู้อะไรเราก็เชื่อไปตามที่เขาว่าจิตใจก็แปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่คนอื่นเขาให้จริงไม่จริงก็ไมร่รู้แต่เราก็คิดว่าจริงทุกทีเราโง่เอง คือบางทีมันก็อาศัยการทำอะไรไปตามคำสั่งข้อนี้ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีการรายงานมาอะไ ร, ะไรต่างๆก็จะทำเพื่อความสวัสดีแก่ตัวเองสมบวัตถุสิ่งของที่เรารุ่มหลงนั้นเราจะเห็นว่าจะมีการทานอุตอนธผงแขนรักษาเอาไว้ ปกิเลสประเภทเดียวกันคือกิเลสประเภทรักษาแต่รักษามั่ไปหมดเลยคือดีไม่ดีก็รักษาหมดจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ากิเลสประเภทโมหะเนี่ยเป็นกิเลสประเภทอนุรักษ์หมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันมีคุณหรือมีโทษมันก็รักษาไวย้ยางงเอง ไม่ไปไหนหรือว่าเดินไปถึงทางสี่แพร่งไม่รู้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังดีก็ยืนอยู่ตรนนั้นเองนั่นก็คือกิเลสประเภทหมหะมันจะมีการอดีายวมันคือมันจะรักษาวไว้จะเป็นแบบอนุรักษ์ตีนี้ถ้าเราอนุรักษ์มากๆมันงมง่ายเกินไปอ่ะบ้านเมืองมันมีเท่าเดิมพลมันเพิ่มขึ้นอาชีพมันเพิ่มขึ้นสถาน ท, ที่อยู่ก็เพิ่มขึ้นแต่ของโบราณมีเท่าไรอนุรักษ์ไปหมดเลย มันกินเนื้อที่ที่จะใช้สอยเกิดประโยชน์แก่คนร่วมสมัยเสียเวลาในการดูแลรักษาเสื้อเงินเสื้อทองในการทนุบำรุงซ่อมแซมต่อเติมสากปราักาปรังเหล่านั้นชาติบัณฑเมืองเสียประโยชน์มหาศาลมากๆเพียงเพราะรักษาสิ่งทึ่แสดงว่าเราได้ผ่านยุคอดีที่รุ่งเรืองมาแล้วผ่านยุคสมัยโบราณมาแล้ว เพราะแนวการจัด ก, การศาสึสสารจริงเนี่ยเขาจะไม่เอาให้คนมาเรียนในแนวนี้มากเพราะเรียนเพื่อรักษาไม่จะเรียนเพื่อพัฒนาไม่จะเรียนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเราเห็นว่าไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะฮะพวกนักปัญญาเนี่ยจะมีน้อยปัญญาโททางปัญญาสองสักพลนี่เยอะแล้ว ทางบริหารทางธุรกิจทางเศรษฐศาสตร์ทางบัญชีทางการธนาคารทางการตลาดอะไรอะไรเนี่ยจะมีจํานวนมหาศาลพวกวิศวะพวกการแพทย์คือจะมีจํานวนมากมายเมื่อเทียบกับพวกเหล่านี้แล้วเทียบไม่ได้เพราะว่าวิชาการดังกล่าวนั้นเป็นวิชาการที่ผลิตได้สร้างสารรค์ได้ปัชนาได้สร้างความปังคังรําเรย์ให้จเจริญขึ้นจนตัวเองมีหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยวคือมีความมั่นคงขึ้นมันก็ํามแต่ไงเพราะกันการอนุรักษ์จึงต้องมีปัญญาอยู่ดับหนึ่งคือไม่ใช่อนุรักษ์มากจนจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซากปะการังกองอิฐ ก, กองหินก็รักษามหมดเลยรือก็จะเลือกเอาไว้เป็นส่วนส่วนจัดสรรปันส่วนเอาไว้อาคารขนาดนี้มีอยู่ที่นี้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องรักษาไว้อีกก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเรียนรู้เรื่องอายธรรมวัฒนธรรมในอดีตแต่ไปถึงก็ปิดความกั้นความเจริญที่ควรจะมีควรจะเป็นในปัจจุบันพันกิเลสประเภทนี้ถ้าเราเขาจักก็คือจัดพวกความรุ่มหลงกิเลสประเภทรุ่มหลงก็เช่นว่าความเคร่องแรงสงสยัย การถือบ้านด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้ปฏิบัติต่างๆที่เข้าใจกันว่าครั่งว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าดีว่ากายสิษย์คืออย่างที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องเครื่องร่างของครั่งกัดมากในปัจจุบันตื่นบากแล้วมันก็นึกไปออกสร้างพระรุ่นมหาเศรษฐีขึ้นม า, าก็มีพระรุ่นมหาเศรษฐีแล้วทำมขายทำไมาก็เอาไว้เองนี่ ก็ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเราคิดกลับเข้าไปเราเห็นว่าเรื่อความงม ง, ง, งายเรื่งความรเหตุผลแต่ว่าคนไปกําหนดเปเห็นความต้องการมันก็ไปคนที่ไม่เห็นความต้องการเขาก็ไม่ถูกครอบงําด้วยความคิดเหล่านี้รวมตลอดถึงอุทธจาระวิชามาณนะพวกนี้ที่จริงนก็สืบเรื่องมาจากโมหะทางนั้น อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจที่มันขาดสติมันเผลอเรอ ม, มันหลงลืมมันพลั้งพลาดเรือลึกไม่ทันเรือลึกทันแต่มันขาดเป็นห่วงเป็นตอนไปก่อนจะทําก็นึกออกว่าจะทําอย่างนั้ น, นอย่างนี้จะไปตรงโน้นตรงนี้แต่ว่าพอจะทำก็จริงเลยลืมเลยนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรจะทํายัางไรจะพูดอะไรจะพูดกับใครจะพูดโดยวิธีใด ผู้ไปแล้วเนะี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบางที่ทําผิดไปแล้วมันก็นึกไม่ออกที่รายก็ไปยิ่งกว่า น, นั้นก็คือว่าแม้มีการซักถามในการสอบสวนทวนถามก็นึกไม่ออกเดี๋ยวสติมันขาดแรงแรงมากเลยอยันนี้ทรงสอนให้ฝึกจิตซึ่งมันพร้อมที่จะกําหนัดพร้อมที่จะกัดเพร้อมจะรู้หลงพร้อมองง พ, อมพที่ที่จะงัวเมานะ ไม่สามารถบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้ซึ่งสาชนทั้งหลายเห็นว่าในการระวังใจในสี่เรื่องเนี่ยมันไปนคลุมสังโยชน์ทั้งสิบเอาไว้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าใจไม่ปรุงคิดคิ ด, คดปรุงโดนหน้าความกำหนันความกัดเคืองความโลนงความหมกมอ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งสังโยชน์ในแต่ละข้อคือทั้ง10ข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าความสามารถของคนเรานั้นไม่จะป้อง ก, กันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในขณะนั้นได้หรือว่าเกิดก็ไม่รุนแรงเกินไปเนี่ยเราก็ปกันได้ระดับนั้นแต่พอเอาเข้าจริงมันก็ทำไม่ได้เกิดถ้าเกิดมากกเกินไปมันก็เอาไปอยู่บางทีเราไม่สงสัยในจุดนี้แต่สงสัยในส่วนที่ลึกลงไป คต่ายเรารู้จักว่าบอ่อเนี้ยเป็นบอ่อกว้างยาวเท่าไหร่ก็รู้นะฮะกว้างเท่าไรยาวเท่าไร่ก็รู้ก็สดมากเป็นกลมเป็นเหลี่ยมแต่บางทีเราก็ไม่รู้มันลึกเท่าไหร่แล้วก้นบอ่อมันมีอะไรก็แสดงว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้ ด้นความเครือเปลี่นสงสัยที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนๆที่ว่ามันเป็นกิเลสประเภทโมหะคือเรารู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดรู้ไม่ท่องแท้รู้บางแง่บางบุ่มแต่ว่าหลายแง่หลายบุมที่เราไม่รู้ม้นกลายเป็นความเครือเปลี่สงสัยเราจะเครือเปลี่สงสัยในพระเจ้าพระทัมประสงค์ในตรายที่ขา แน่นอนที่จริงถ้าขาจัดได้จริงๆในจุดนี้ความสงสัยอย่างอื่นมันถูกขจัดหมดเพราะอะไรเพราะมันไปเชื่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แล้วก็ใจจริงคาแต่ว่าการขาจัดได้หมดมันก็ต้องเป็นคนระดับประโสดาบันขึ้นไปเอาก็จริงกายเป็นเรื่องใหญ่กายเป็นเรื่องยากต่อการที่จะทำตนให้เป็นประโสดาปันได้เมืนอไงทำยังไงจึงจะสามารถบรรเทาความกําหนัด ความขัดเคืองความรุ่มหลงความบกเหมาะสมไหมมันเกิดขึ้นมากเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรุ่มหลงเนี่ยเร่ความเครียแกรงสงสัยที่ประรบชีวิตในอดีตเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าไม่เคยเกิดเคยเกิดเป็นอะไรเคยเกิดเป็นอย่างไรมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรแล้วก็ตายจากโลกนั้นเมื่ อ, อยุทเท่าไหร่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ถามมันไปเรื่อยๆข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อย ตรงนี้เราจะกระจัดความเครื่อนแปรงสงสัยด้วยปัญญามันก็กระจัดไม่ได้เพราะว่าเป็นความรู้ถ้าขนาดนั้นขนาดต่อเนื่องยาวนานอย่างนั้นย้อนกลับคไปสู่อดีตไกลขนาดนั้นคนทั่วไปรู้ไม่ได้เครื่องมือกล้องส่องอะไรแต่ไรก็มีอยู่อย่างจํากัดเพรา ะ, ะนั้นเราก็ใช้ศรัทธาเป็นหลักสใช้ใช้ความเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้เป็นหลัก ลในขณะเดียวกันก็มีการปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการรู้เรื่องราวต่งตางๆในอดีตซึ่งแน่นอนถ้าหากว่ากำลังของความรู้มันมีมากพอก็ขจัดความเครื่องเปล่งสงสัยแม้ในส่วนอื่นลงไปได้แต่ถ้าากว่ายังขจัดไม่ได้หมดศรัทธาจึงคงเป็นความจำเป็น เพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสัสรู้แล้วก็ทรงเห็นรู้เห็นด้วยพระญาณเป็นผลจากการสัสรู้ของพระองค์แล้วก็นำมาแสดงเราไม่มียานอย่างพระองค์เราก็รับได้บางจุดคือเชื่อเอาบางจุดมันก็สัมผัสได้พิจารณาไดนะ้ปฏิบัติได้แต่ว่าบางจุดมันไม่มีอย่างอื่นเลยคือนอกจากเชื่อเอา จนกว่าวุฒิภาวะจนกว่าภูมิธรรมสติปัญญาของเราจะมีกำลังมากพอถึงการบัดโดยแนวนี้เป็นเรื่องของการใช้สติสมัมปญนิะความเพียรที่มีความต่อเนื่องแล้วค่อนข้างจะยาวนานเพื่อสามารถรู้เท่าทันจิตของตนเวลากระทบอารมณ์ในแต่ละขณะ สามารถหยุดสามารถปันเทาสามารถลดละสมาสมารถสงบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคต่อจิตสร้างความ ร, าร้อนกนระแสกระสายเกิดขึ้นแก่จิตซึ่งในที่นี้ทรงใช้คมสังโยชศให้มีกำลังลดน้อยลงคือจิตเราจะได้เป็นอิสระมีความโปร่งเบามีความสละสลุดมีความสบายบางเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ัางใจทำความสงบสืบต่อไป